จเจริญพรท่านศรัทธาญาติโมผู้มีจิตศรัทธาทุกๆ ท, ท่านวันนี้จะขอเล่าเรื่องกา ร, รเผชิญหน้ากันระหว่างสมัยกับหรือความรู้สมัยใหม่กับความรู้สมัยเก่าคือมีคณะนักวิทยาศาสตร์วิศวกรอยู่คณะหนึ่ง ได้ยินกิติศักดิ์ว่ามีพระรูปหนึ่ง ป, ปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าแล้วพระองค์นี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญามากพวกนักวิทยาศาสตร์วิศวกรทั้งหลายก็เลยอยากจะไปพิสูจน์ดูว่าปัญญาของพระองค์นี้นั้นเป็ น, ปนอย่างไรถึงมีคนเขาได้ยกย่องกันนักกันนาะว่าเป็นคนที่มีความฉลาดมาก เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ได้ไปกราบท่านแล้วพอมีโอกาสก็ได้ถามปัญหาท่านว่าถามปัญหาเพื่อทดสอบปัญญาของท่านว่าหลวงพ่อครับระบินนี่มันบินได้อย่างไรนักวิทยาศาสตร์วิศวกรเขาก็ถามหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็ตอบกลับมาทันควันเลยว่าจิตเป็นตัวที่ทําให้เรืบินนี้มันบินได้นักวิศวกรก็เอื้อมอยู่สักขณะหนึ่ง แต่หลังจากได้คิดแล้วก็ต้องยอมรับในปัญญาของหลวงพ่อองนี้ว่าเป็นปัญญาที่แท้จริงเพราะว่าถ้าไม่มีจิตแล้วสิ่งต่างๆนั้นไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แม้แต่ร่างกายของเราเองก็ตามก็ต้องมีจิตเป็นผู้สั่งการถึงจะเคลื่อนไหวได้อย่างสัตยาญาิโยมวันนี้ที่มาที่วัดนี้ได้ก็เพราะจิตเป็นผู้พามาจิตเป็นผู้สั่งการ ถึงจะมาที่นี่ได้รถยนต์นี้ถ้าไม่มีจิตสั่งการมันก็ขับเคลื่อนไปไม่ได้เรือบินก็เช่นกันมันก็ต้องจอดอยู่ับที่มันต้องมีผู้สั่งการสั่งงานขับมันมันถึงจะไปได้และผู้ที่จะขับมันขับสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่อะไรก็คือจิตใจของพวกเรานั่นเองดังนั้นพระพุทธองค์จึงแสดงไว้ว่าไม่มีอะไรจะสําคัญยิ่งใหญ่เท่ากับจิตใจทุกสิ่งทุกอย่าง เกิดขึ้นจากจิตใจไม่ว่าความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีก็จิตใจเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาแล้วจิตใจก็ต้องเป็นผู้รับผลของการกระทำของจิตใจจิตใจสุขหรือทุกข์นั้นก็เกิดขึ้นจากการกระทำของจิตใจนั่นเองจิตใจที่ฉลาดย่อมทำแต่สิ่งที่ทำให้มีแต่ความสุขจิตใจที่โง่เขลาเบาปัญญา ย่อมจะกระทาแต่สิ่งที่นำความทุกข์มาให้กับจิตใจดังนั้นพระพุทธองค์จึงสอนให้ชาวพุทธทั้งหลายนั้นให้พยายามพัฒนาจิตใจดูแลรักษาจิตใจโดยการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมในในในเรื่องเหล่านี้ก็คือหมายถึงการเจริญจิตตภาวนาเจริญจิตตภาวนานี้ก็หมายถึงว่าการให้ดูแลจิตใจ รักษาจิตใจให้เป็นจิตใจที่สะอาดเป็นจิตใจที่ฉลาดเป็นจิตใจที่สงบถ้ามีการเจริญจิตตภาวานาแล้วจิตใจจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีจิตใจจะมีความสงบร่มเย็นจิตใจจะเกิดมีความฉลาดมีปัญญาขึ้นมาเพราะการเจริญจิตตภาวานานี้มีแบ่งไว้สองขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกเรียกว่าสมถภาวานา คือการทำความสงบให้เกิดขึ้นกับจิตใจขั้นตอนต่อมาเรียกว่าวิปัสนาภาวนาคือการทำให้เกิดปัญญาเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ที่จิตเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยให้เห็นว่าเป็นสภาพที่ไม่น่ายินดีเป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็เป็นอนัตตา ปราศจากตัวตนสาเหตุที่คนเราทุกคนที่อยู่ในโลกนี้แล้วมีแต่ความวุ่นวายมีความทุกข์กันก็เพราะว่าขาดปัญญาขาดความรู้เข้าใจอันถูกต้องว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้นั้นไม่ใช่เป็นความสุขเลยมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเพราะโดยธรรมชาติของสิ่งต่างๆนั้นเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของที่เราไม่สามารถยึดอาศัยไว้เป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริง พรทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีการแปลสภาพมีการเสื่อมและมีการดับสลายไปในที่สุดสิ่งไหนถ้าเราไปยึดไปอาศัยให้มาเป็นสิ่งที่นำความสุขมาให้กับเรามันก็จะให้ความสุขกับเราในขณะที่มันยังมีสภาพอยู่ยังคงสภาพอยู่แต่เมื่อมันเปลี่ยนไปมันสลายไปแล้วความสุขที่เราได้จากสิ่งนั้นมันก็หมดไปความสุขที่มีอยู่ก็หายไปกลายเป็นความทุกข์เกิดขึ้นมาแทนที่ นี่คือเรื่องของสภาวะธรรมทั้งหลายในโลกนี้ที่จิตเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะพุทธองค์ทรงตัดสุลุบรรลุธรรมเห็นด้วยปัญญาว่าสภาวะธรรมทั้งหลายนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่เราเรียกกันว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นไตรลักษ์ไตรก็คือวาสามลักษ์ก็คือลักษณะคือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีลักษณะเหมือนกันหมด เป็นอนิจจังทุกขังมาตาแต่จิตที่ไม่ได้รับการอบรมไม่ได้การรับการพัฒนาไม่ได้เจริญสมถะวิปัสนาภาวนาจะไม่เห็นสภาวะธรรมเหล่านี้เป็นไตรลักษณ์กับเห็นตรงกันข้ามกันเห็นว่าเป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของที่จะนำความสุขมาให้เป็นของที่สามารถกำหนดได้ว่าเป็นของของเราเป็นตัวของเราทั้งนี้ทั้งนั้น สาเหตุเป็นเพราะว่าจิตใจถูกกิเลสอวิชชาโมหะครอบงำไว้อยู่จึงทำให้เห็นผิดเป็นชอบเบียดเหมือนกับคนสมัยก่อนเห็นว่าโลกนี้แบนอันนี้ก็เป็นความเห็นอย่างหนึ่งแต่ต่อมาก็มีคนที่ฉลาดเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าความจริงโลกนี้มันไม่ใช่แบนโลกนี้มันกลมอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นการที่เราจะ ทำให้จิตใจของเรานั้นสามารถเห็นสิ่งต่างๆเป็นไปตามหลักของความเป็นจริงได้จะต้องอาศัยการเจริญจิตตภาวนา <c oughs> การเจริญจิตตภาวนานี้เป็นการชำะระซักฟอกสิ่งที่เป็นของหุ้มหอ่อที่เรียกว่าเครื่องเศร้าหมองโมหะความโง่เขาเบาปัญญาที่ครอบงาจิตใจอยู่ เบียดเหมือนกับกระจกกระจกรถยนต์นี่ถ้าไปโดนโครนโดนฝุน่นเข้ามันก็จะมัวทำให้คนขับรถนั้นไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนข้างหน้ารถว่ามีอะไรอยู่ถ้าไม่เอาน้ำมาล้างชำระซักพ้อออกไปให้มันใสสะอาดก็จะไม่สามารถขับรถไปได้ด้วยความราบรื่นด้วยความสะดวกด้วยความสบายแต่ถ้าไดเอาน้ามาชาระ ล้างออกไปแล้ว ก, กระจกก็จะใสก็จะสามารถเห็นสิ่งต่างๆได้ฉั้นในจิตใจก็ฉันนั้นถ้าจิตใจที่มีกิเลสโมหะอวิชชาครอบงำอยู่ไม่ได้รับการซักพอกซักล้างออกไปจิตใจก็จะเป็นจิตใจที่มีแต่ความ <c oughs> มืดบอดมีแต่ความโง่เขลาเบาปัญญามีมิชฉาทิฏฐิความเห็นผิดเห็นกงจักเป็นดอกบวยอย่างนี้เป็นต้น ดังนั้นการจเจริญจิตตภาวนาถือว่าเป็นการชำระจิตใจให้สะอาดหมดจด <c oughs> เมื่อจิตใจมีความสะอาดหมดจดแล้วจิตใจจะเป็นจิตใจที่มีความสงบมีความอิ่มมีความพอดังนั้นการจเจริญจิตตภาวนาก็ถือว่าเป็นการให้อาหารกับจิตใจด้วยผู้ที่จเจริญจิตตภาวนาด้วยสมถภ า, าวนาจิตใจจะมีความสงบ แต่การที่จะทำจิตใจให้สงบนั้นก็มีหลายวิธีด้วยกันญาติโยมคงจะได้ไปตามสานักต่างๆมาและจะสังเกตเห็นว่าแต่ละสานักนั้นจะสอนวิธีทำสมถะภาวนาคือการทำจิตใจให้สงบนั้นไม่เหมือนกันบางสานักก็สอนให้เจริญยุบหนอพองหนอให้ดูการพอ ง, พองและยุบของหน้าท้องบางสานักก็ให้กำหนดดูลมหายใจเข้าออก บางสำนักก็ให้กําหนดเจริญคําว่าพุทโธพุทโธบางสำนักก็ให้ใช้ลูกแก้วเข่งดูลูกแก้วสีขาวขาวซึ่งการกระทําเหล่านี้นั้นถือว่าเป็นการเจริญสมถภ า, ภาวนาด้วยกันทั้งสิน้นเป็นป้อยใดถึงมีการมีวิธีที่แตกต่างกันก็เพราะว่าวิธีการเจริญสมถภาวนาที่เราเรียกว่าใช้กรรมฐานนั้นกรรมฐานเป็นอารมณ์ทําให้จิตใจสงบนั้น มีอยู่หลายชนิดด้วยกันเนื่องจากว่าคนเรานั้นมีจริตนิสัยไม่เหมือนกันมีความชอบมีความถนัดไม่เหมือนกันถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับอาหารอาหารนี่ก็มีหลากหลายชนิดด้วยกันร้านอาหารที่เราเข้าไปแต่ละร้านนี่เวลาเขาเอารายการอาหารมาให้เราดูนี่มีมากมายแต่ก็เป็นอาหารทั้งนั้นเมื่อรับประทาน้าไปในท้องแล้วก็จะทาให้ท้องเราอิ่ม กรรมฐานที่เป็นอารมณ์ทำให้จิตมีความสงบนั้นก็มีอยู่หลากหลายด้วยกันพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ถึง40ชนิดด้วยกันเรียกว่ากรรมฐานส0สแบ่งเป็นอนุสติสิบอย่างกสินสิบอย่างแล้วก็อสุภะสิบอย่างแล้วก็พรหมวิหารสี่ แล้วก็อารูปธรรมสี่แล้วก็การพิจารณาธาตุสี่หนึ่งแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งคือการพิจารณาดูความเป็นปฏิกูลของอาหารรวมกันแล้วเป็นกรรมฐานสี่สิบชนิดด้วยกันทั้งนี้ทั้งนั้นสาเหตุที่จะต้องมีกรรมฐานอยู่ถึงสี่สิบชนิดนั้นก็เป็นเพราะว่าจริตนิสัยของคนนั้นมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน ในทางศาสนาเราแยกไว้อยู่หกชนิดด้วยกันคือราคะจริตโทสะโทสะจริตโมหะจริตสัทธาจริตพุทธิจริตและวิตกจริตนี่คือจริตของคนที่แตกต่างกันมีอยู่หกชนิดด้วยกันราคะจริญนี้หมายถึงคนที่มีความชอบมีนิสัยชอบไปในทางความสวยงาม ชอบเห็นของสวยๆ ง, งามๆอันนี้ก็ต้องใช้กรรมฐานแก้อีกอย่างหนึ่งกรรมฐานที่จะใช้แก้ก็คือให้เจริญอสุภะกรรมฐานคือให้เจริญดูในสิ่งที่ไม่สวยไม่งามเช่นซากศพเป็นต้นคนเราที่ชอบหญิงชายที่ชอบกันก็เพราะว่าเห็นว่าหญิงชายนั้นมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงาม แต่ถ้าเป็นความเป็นจริงแล้วอันนี้เป็นเพียงครึ่งเดียวของของคนเราคนเราเวลาอยู่ก็รูปร่างหน้าตาก็เป็นอย่างหนึ่งแต่เมื่อเวลาตายไปก็เปลี่ยนไปเป็นอีกอย่างหนึ่งดังนั้นถ้าต้องการที่จะระ ง, งับความฟุ้งซ่านของจิตใจทําจิตใจให้สงบสําหรับคนที่มีราคาเฉิกก็ต้องเจริญอสุภกรรมฐานส่วนคนที่มีโทสะเฉลก เป็นคนที่มีความโกรธเป็นนิสัยเป็นคนชอบอาฆาตพยาบาทต้องใช้กรรมฐานที่เรียกว่าเมตตาภาวนาคือต้องรู้จักการให้อภัยต้องละจากการจองเวรจองกรรมกันต้องให้มองให้เห็นกันว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเป็นพี่เป็นน้องกันต้องรู้จักการให้อภัยกันได้อย่างนี้เป็นต้น คือต้องอาศัยกรรมฐานที่เป็นเป็นของที่จะมาช่วยระงับความพุ้งสร้างของจิตที่เกิดจากความโกรธคือโทสะสําหรับผู้ที่มีโมหะนี้เป็นพวกที่โง่งมงายพวกนี้จะต้องอาศัยการเจริญอาณาปณะสติคือการกําหนดดูลมหายใจเข้าออกหรือการดูยุบหนอพองหนอหายใจเข้าท้องก็พองออกมา หายใจออกไปท้องก็ยุบเข้าไปอันนี้จะทําให้จิตใจสงบได้นอกจากนั้นแล้วคนที่มีโมหะจริตนี้ควรเที่ยวควรจะเข้าหาผู้รู้ศึกษาธรรมะสนทนาธรรมถามปัญหาธรรมะเพื่อที่จะได้เกิดความรู้<ม>ความฉลาดความเข้าใจที่ถูกต้องนี่คือกรรมฐานที่เอาไว้สําหรับบุคคลที่มีโมหะจริตบุคคลที่เป็นศรัทธาจริตนี้กรรม เป็นคนที่เชื่อเชื่อง่ายชอบเชื่ออะไรง่ายๆบุคคลเหล่านี้นั้นควรจะเจริญปัาดานุสติต่างๆเช่นพุทธานุสติธรมานุสติสังคานุสติคือจเจริญพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณก็จะทำให้จิตใจสงบลงได้ส่วนผู้ที่เป็นพุทธิจริกคือเป็นพวกที่ชอบพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลคือไม่ชอบเชื่ออะไรง่ายๆจะต้องพิสูจน์ได้ก่อน ถึงจะต้องถึงจะเชื่อได้บุคคลเหล่านี้จะต้องเจริญมรณานุสติคือพิจารณาความตายพิจารณาดูความเป็นธาตุสีของร่างกายดินน้ําลมไฟพิจารณาว่าร่างกายนี้มาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอาศัยอะไรเป็นเป็นทำให้ร่างกายนี้เป็นรูปร่างหน้าตาขึ้นมาได้แล้วเมื่อร่างกายนี้แตกแล้วดับไปแล้วมันสลายกลับไปสู่อะไร มันก็กลับไปสู่ธาตุสีนินมม่น้ำมนุนไฟนี่คือนี่คือกรรมฐานที่เหมาะกับบุคคลที่มีราคะจริตไอมีเป็นผู้ที่จริตเป็นผู้ที่จะต้องมีเหตุมีผลต้องสามารถพิสูจน์ได้ส่วนบุคคลสุดท้ายเป็นพวกที่วิตกจริตเป็นพวกที่คิดคิดห่วงหน้าห่วงหลังพุ่งสร้างอยู่ตลอดเวลาตรงนี้ต้องอาศัยกรรมฐานคือ อานาปานาสติคือการกำหนดดูลมหายใจเข้าออกอันนี้เวลาเรามีความวิตกกังวลก็อย่าไปอย่าไปคิดถึงเรื่องต่างๆเหล่า น, นั้นพยายามมาดูพิจารณาดูลมหายใจเข้าออกทําให้มีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วจิตก็จะค่อยๆสงบลงเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปแล้วความวิตกกังวลต่างๆก็จะหายไปนี่ก็คือเรื่องของสมถะภ า, าวนา คือการทำจิตใจให้สงบจิตใจโดยธรรมชาติแล้วจะจะอยู่เฉยๆไม่ได้จะนิ่งไม่ได้จะไม่มันเหมือนกับรถที่วิ่งลงจากภูเขาอยู่เฉยๆจะให้มันจอดไม่ได้ถ้าเราไม่เหยียบเบรกแล้วมันจะไม่มีทางที่จะจอดได้ฉันใดจิตใจก็เหมือนกันถ้าจิตใจเราไม่ควบคุมไม่ผูกใจไว้กับกรรมฐานไม่ผูกอารมณ์กรรมฐานใดก ร, กรรมฐานหนึ่ง โดยอาศัยสติเป็นเชือกผูกไว้แล้วแล้วก็จิตจะไม่มีความสงบเลยเราต้องอาศัยการบําเพ็ญสมถภาวนาคือเลือกเอากรรมฐานอันใดอันหนึ่งที่ถูกจริญกับเรามาเป็นเครื่องควบคุมจิตใจมา จ, จิตใจไว้ไม่ให้จิตใจลอยไปถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเรือเรือถ้าจอดอยู่ถ้าไม่เอาเชือกผูกไว้กับเสาของท่าเรือเดี๋ยวน้าเวลาไหลามามันก็จะพัดเรือไหลไป ฉันใดจิตใจถ้าไม่มีกรรมฐานไว้ผูกไว้แล้วจิตใจก็จะต้องลอยไปตามอารมณ์ต่างๆถ้าจิตใจลอยไปอารมณ์ต่างๆใจก็จะไม่มีความสงบเมื่อจิตไม่มีความสงบก็จะไม่มีความสุขไม่มีความสบายไม่มีความอิ่มดังนั้นผู้ที่ปรารถนาความสุขของจิตใจต้องเจริญสมถาภาวนาในเบื้องต้นก่อนคือต้องทําจิตใจให้สงบให้ได้ โดยอาศัยกรรมฐานอย่างชนิดใดชนิดหนึ่งที่ถูกกับเราถ้าเราเป็นพุทธถ้าเราเป็นราคาจรัจจิิตก็ให้เจริญอสุภกรรมฐานถ้าเราเป็นโทสะจริตก็ให้เจริญเมตตาภาวน า, ถ, านถ้าเป็นโมหะจริตก็ให้ใช้อนาปานาสติหรือยุบหนอพองหนอถ้าเป็นศรัทธาจริตก็ให้เจริญพุทธานุสติธรมานุสติหรือสังขานุสติ ถ้าเป็นพุท ธ, ธิจริตก็ให้เจริญมรณานุสติถ้าเป็นวิตกจริตก็ให้เจริญอานาปานสติเช่นกันและการที่จะเจริญกรรมฐานเหล่านี้ได้ให้เป็นผลก็ต้องอาศัยหลักการมีสติถ้าจิตใจไม่มีสติแล้วใจเจริญไปเรื่อยๆเช่นบริกรรมคําว่าพุโทโธพุธโทโธไปแต่ใจในขณะเดียวกันก็ไปคิดเรื่องอื่น ถ้าทเป็นถ้าทาอย่างนี้แล้วจิตจะไม่สงบจิตจะต้องมีสติอยู่กับคำบริกรรมถ้าเราบริกรรมคำว่าพุโทโธ <baht. S 1> <saus. S 2> ก็ขอให้อยู่กับคำว่าพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวคือ <leap. S 2> ให้จิตเป็นปัจจุบันให้จิตอยู่กับคำว่าพุโทโธอย่าให้จิตลอยไปในอดีตรหรือไปในอนาคตหรือไปที่เรื่องเรื่องอื่นจิตจะต้องอยู่กับองค์กรรมฐานถ้าสามารถอยู่กับองค์กรกรรมฐานไปได้แล้วจิตก็จะค่อยๆสงบลงค่อยๆสงบลง แลในที่สุดก็จะสงบนิ่งลงไปการสงบของจิตนั้นเป็นไปได้สองลักษณะบางบางคนบางเจริญนี่จะลงไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับคนตกหลุมตกบอ่อบางคนเพียงแต่บริกรรมคําว่าพุทโธพุทโธไปได้ไม่กี่นาทีจิตก็รวมลงเป็นเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลงขึ้นมาเหมือนกับคนที่เดินไปแล้วไปตกหลุมเข้าไปแล้วก็วูบลงไปแล้วก็นิ่งอันนี้เป็นลักษณะหนึ่ง อีกลักษณะหนึ่งก็คือลักษณะแบบค่อยๆค่อยๆค่อยๆนิ่งค่อยๆสงบลงไปเหมือนแบบการที่เราขับรถแล้วเราค่อยๆชะลอความเร็วเราเหยียบเบรกแตะเบรกไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดรถก็มาจอดนิ่งอันนี้ก็เป็นการสงบของจิตสองลักษณะด้วยกันความสงบของจิตนี้เราเรียกว่าสมาธิหรือการรวมของจิตการรวมของจิตนี้ก็มีอยู่สองลักษณะด้วยกัน ถ้ารวมชั่วขณะหนึ่งแล้วถอนออกมาเรียกว่าคณิกะสมาธิถ้ารวมลงแล้วอยู่ตั้งอยู่ได้นานเป็นเวลาเป็นไลเป็นเป็นชั่วโมงอย่างนี้เราเรียกว่าอปปนาสมาธิคือเป็นจิตที่รวมได้ได้นานสมาธิทั้งสองอย่างนี้เป็นสมาธิที่ที่เมื่อจิตรวมลงลงไปแล้วจะไม่มีความคิดปรุงจิตจะมีอยู่อารมณ์เดียวคือเป็นอุเบกขา มีสักแต่วรู้อยู่สมาธิแบบนี้นั้นเมื่อออกมาแล้วจะทำให้จิตใจมีพลังเป็นจิตใจที่มีความสดชื่น